ตอนการถอนพุทธภูมิของพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงปู่สิงห์ท่านตั้งปณิธานปรารถนาพุทธภูมิเพื่อสร้างบารมีเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งภายหลังมาท่านบอกว่าท่านเลิกแล้วเมื่อท่านมรณภาพตอนที่พระราชทานเพลิงศพท่านมีพระนุ่มๆองค์หนึ่งไปสร้างโคมลมขึ้น โคมลมเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนบอลลูนมันอาศัยแรงลมที่เกิดจากควันไฟที่อบเข้าไปพอมันเต็มที่แล้วมันก็ลอยขึ้นอากาศไปเสร็จแล้วแกก็แต่งเครื่องสักการะบูชาหลวงปู่สิงห์พร้อมกับอธิษฐานจิตขึ้นว่าถ้าหากว่าหลวงปู่สิงห์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วขอให้โคมนี้ลอยไปเลยถ้าหากว่ายังไม่สาเร็จยังถอนจากการปรารถนาพุทธภูมิไม่ได้ ก็ขอให้ลอยวนลงมามาลงที่เก่าเสร็จแล้วแกก็เอาโคมของแกมาปล่อยรมควันไฟเข้าไปมันเต็มแล้วมันก็ลอยขึ้นไปอยู่ตรงบริเวณหลังโบสเนี่ยพอปล่อยไปขึ้นตรงแนวไปสูงเกือบจะมองไม่เห็นขึ้นตรงดิ่งขึ้นไปเลยอ้าวพอเสร็จแล้วมันก็ลอยไปทางหนองแก้ช้างผ่านค่ายทหารรอบเมืองไปเนี่ย ใครๆก็จ้องมองกันแล้วลงผลสุดท้ายพอมาตรงวัดป่าสารวันมันดิ่งดิ่งดิ่งลงมาตอนลงมาแล้วก็มาสำรวจดูว่ามันมีรอยทะลุนิดหนึง่งลมออกได้ใครๆก็พากันสันนิษฐานว่าท่านถอนความปรารถนาพุทธภูมิมันถอนไม่ขึ้นเพราะมันฝังลึกลงไปแล้วท่านพูดท่านบอกว่าท่านถอนแล้ว แต่ว่าจิตใต้สำนึกของท่านมันไม่ยอมถอนก็เข้าใจว่าท่านคงยังไม่สำเร็จอรหันหลงปู่เสาหลงปู่มั่นท่านปรารถนาพุทธภูมิทั้งนั้นในตอนแรกๆท่านก็ยังเข้าใจว่าสมัยเนี้ยมันหมดสมัยแล้วระอรหันอรหันไม่มีพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปพอมองเห็นลู้ทางว่า ทางที่จะทำให้สำเร็จอรหันมีอยู่ท่านก็เลยเลิกปรารถนาพุทธภูมิทั้งสามท่านนี้ท่านคุยกันบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับปรารถนาพุทธภูมิแต่เสร็จแล้วสององนั้นท่านถอนของท่านได้แต่หลวงปู่สิงห์ถอนไม่ขึ้นซึ่งหลวงปู่สิงห์ไม่ทราบว่าท่านได้รับการพยากรภายในศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ใดหรือในการที่พระสมณะโคดมมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วก็ไม่ทราบ หมายเหตุเรื่องนี้ตอนที่หลวงพ่อพุทธกล่าวถึงว่าทั้งสองท่านคือหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นท่านถอนพุทธภูมิได้นั้นหลวงพ่ออธิบายเพิ่มเติมภายหลังว่าที่ยังถอนได้เพราะยังไม่ได้รับคําพยากรณ์